เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่เป็นธรรมดียมที่พ่อเราเจ้าพุทธจะมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงมีความรู้ความเห็นที่สัตว์โลกทั่วไปอย่างพวกเราไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นได้การได้ยินได้ฟังธรรมพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้รับอนิสงส์หรือผลประโยชน์ห้าประการด้วยกัน คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอถ้าได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นสามจะทำให้กําจัดความสงสัยต่างๆไปได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ5จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบมีความสุขอันที่สองทั้ง5ประการนี้จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ผู้ฟังและผู้แสดงว่าทำหน้าที่ของตน ได้ถูกต้องหรือไม่ผู้ฟังก็คือจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจานิ่งไม่ทำไม่พูดอะไรเรียกว่าศีลใจที่สงบไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีสติจดจอ เฝ้าอยู่กับการฟังธรรมอย่างเดียวเรียกว่าสมาธิถ้ามีคุณธรรมทั้งสองประการนี้คือมีศีลมีสมาธิเวลาเสียงธรรมมาสัมผัสกับหูเข้าไปสู่ก็จะเข้าไปสู่ใจเพราะมีสติคอย รองรับเอาไว้ถ้ากายวาจาใจไม่สงบเช่นร่างกายนั่งทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้วาจาก็สนทนากันคุยกันใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คอยจดจอ่ออยู่กับการฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหู เสียงธรรมก็จะไม่เข้าไปสู่ใจจะเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปผู้ฟังก็จะไม่ได้รับอนิสงส์อย่างใดเลยเพราะว่าไม่ได้มีการรับรู้ไม่ได้มีการพิจารณาตาม ที่ได้ยินได้ฟังส่วนผู้ที่แสดงก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมถึงจะแสดงธรรมได้ถูกต้องแม่นยาไม่มีความคาดเคลื่อนต้องเป็นผู้ที่เห็นธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้เห็นธรรมรู้ธรรมเพียงแต่การอ่านเพียงอย่างเดียว อ่า น, านหรือการฟังจากผู้อื่นแล้วมาถ่ายทอดนั้นจะมีความคาดเคลื่อนได้เพราะว่าสิ่งที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างถูกต้องแม่นยำจะไม่คาดเคลื่อน ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังก็จะขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ที่รับฟังมาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ใดที่หนึ่งเช่นประเทศต่างประเทศที่เราไม่เคยไปเราเพียงแต่ได้เห็น หนังสือเห็นภาพโฆษณาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่ได้ไปถึงที่นั่นการเห็นของเราผ่านทางภาพทางหนังสือนี้ยังต้องอาศัยการจินตนาการของเราประกอบแต่จะไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปที่สถานที่นั้นโดยด้วยตนเอง พอเราไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องมาคาดคะเนเหมือนท่านที่ไม่เคยขึ้นมาที่บนเขาชิโอ น, นี้ถ้าได้ยินได้ฟังจากเพื่อนเล่าให้ฟังก็จะจินตนาการภาพไปว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาเห็นของจริงเข้า จะรู้ว่ามันไม่ตรงกันหรือว่าเวลาที่เราฟังเสียงคนที่ผ่านมาทางวิทยุผู้ประกาศข่าวก็ดีหรือผู้จัดรายการก็ดีที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเวลาเราได้ยินเสียงเขาเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรเราก็ จินตนาการไปว่าคงจะเป็นอย่างนี้คนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอไปเห็นตัวจริงเข้าบางทีเป็นคนละคนไปเลยเพราะการจินตนาการของเรากับการเห็นของจริงนี้มันจะไม่ตรงกันฉันใดผู้ที่จะแสดงทำให้แกผู้อื่นฟังให้เกิดความเข้าใจให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ให้สามารถกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้ตนเองจะต้องเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่จะรู้จริงเห็นจริงก็ต้องเป็นพระอริยะสงสาวกตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็จะรู้ไม่เท่าเทียมกันพระโสดาบันก็จะรู้ในระดับของพระโสดาบัน แต่จะไม่รู้ในระดับของพระสกิดาคามีพระอนาคามีพะระอรหันต์จะพูดได้เพียงแต่ระดับของโสดาบันเท่านั้นเช่นเดียวกับพระสกิดาคามีเช่นเดียวกับพระอนาคามีจะพูดได้เพียงแต่ระดับที่ตนเองได้บรรลุถึงเท่านั้นจะไม่สามารถพูดถึงธรรมที่สูงกว่าที่ตนยังไม่ได้บรรลุได้ มีพระอราหันต์หรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมได้ถึงขั้นสูงสุด mm hmm. ก็จะสามารถแสดงทมให้ผู้ฟังได้เข้าถึงทำขั้นสูงสุดได้นี่คือองค์ประกอบของการฟังธรรมคือผู้ฟังก็ต้องมีศีลสมาธิมีสติคอยรองรับเสียงธรรม ผู้สแสดงก็ต้องเป็นผู้บรรลุธรรมรู้จริงเห็นจริง <c oughs> ถึงจะทำให้เกิดอานิสงฆ์ทั้งห้าประการนี้ขึ้นมาได้ <c oughs> จึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่เรามักจะไปแสวงหาพระสุปฏิปนโนกันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้เราจะอยู่ใกล้วัดวาอารามแต่ไม่ได้เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ค่อยมีความประทับใจกับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังหรือกับการปฏิบัติของผู้ที่แสดงธรรมเหล่านั้น ว่ามันไม่เหมือนกันเวลาแสดงธรรมก็แสดงไปอย่างหนึง่งแต่เวลาปฏิบัติตอนเองก็ปฏิบัติไปอีกอย่างหนึง่งไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่เหมือนกันเือพูดอย่างทำอย่างถ้าอย่างนี้ผู้ฟังจะไม่มีศรัทธาจะไม่อยากฟังเพราะไม่รู้ว่าจะเอา ส่วนไหนมาเป็นแบบฉบับดีจะเอาส่วนที่ได้ยินได้ฟังหรือส่วนที่ได้เห็นจากการปฏิบัติของผู้แสดงธรรมนั้นแต่ถ้าได้ไปสัมผัสกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะได้ยินได้ฟังและได้เห็นการปฏิบัติการปฏิบัติตนของท่านที่สอดคล้องกันท่านสอนเรื่องมากน้อยสันโดษ ท่านก็จะทาตัวเป็นผู้มีความมากน้อยสันโดษท่านสอนให้ตัดตัณหากิเลทท่านก็ตัดกันหากิเลทท่านไม่มีกกเรตัณหาออกมาอวดมาโชว์ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วเวลาฟังธรรมของท่านแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็ได้ผลอย่างที่ท่านได้แสดงไว้ทุกประการ จึงมีความศรัท ธ, ธาในพระสุปฏิปันโนกันมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลจากบ้านจากเมืองต้องเดินทางระยะเวลาหลายร้อยกิโลใช้เวลาหลายชั่วโมงก็ยังพรนฝ่าไปกันเพราะปรารถนาความเป็นสิริมงคลที่จะได้รับจากการ ฟังเทศฟังธรรมนี้ถ้าไม่ได้บรรลุในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมก็ยังเอากลับมาบ้านเอามาปฏิบัติต่อได้แล้วถ้าเอามาปฏิบัติอย่างไม่ขาดตอนตามที่ท่านได้แสดงไว้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นี่คือความเป็นสิริมงคล ของการฟังเทศฟังธรรมสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังตอนนี้คืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่เราจะไม่ค่อยได้ินได้ฟังตามสถานีวิทยุต่างๆตามสื่อต่างๆนอกจากเป็นสถานีวิทยุของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่มีหลวงตาเป็นผู้แสดงเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราฟังบ่อยๆเข้าเราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อดับตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจของเราได้ทำให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุข ปาสตากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆพระอริยสัจสีนี้เป็นแก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนหลักคําสอนต่างๆนั้นออกมาจากพระอริยาาสัจสี่ทั้งนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายจนนับประมาณไม่ได้เท่าที่จะนับได้ก็ ที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกคือประมาณ8ปดหมพันพระธรรมขันธ์ธรรมะทั้งหมดนี้แสดงเรื่องของพระอริยสัจสี่ทั้งนั้นในลักษณะต่างๆแสดงเรื่องทุกข์บ้างเรื่องสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์บ้างแสดงเรื่องนิโรธของการดับของความทุกข์และแสดงเรื่องมร คือเหตุที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจดับไปคาสอนของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่เพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าจะมีมากมายก่ายกองเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรถึงแม้จะมีปริมาณมากมายแต่รสของน้ำมีเหมือนกันมีรสเดียวก็คือความเค็ม รสของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็มีรสเดียวก็คื อ, คอรสของพระอริยสัจสีนี่พระองค์ทรงสแสดงให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่ไหนความทุกข์ท่านก็ทรงสแสดงว่าอยู่ที่การเกิดพอเกิดแล้วก็มีความแก่ตามมา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพัดพรากจากกันและกันตามมามีการพบปะกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่คือความทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันโดยไม่รู้สึกตัวและต้นเหตุของความทุกข์ นี่ก็คือสมุทยัยเรียกว่าสมุทยัยที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือตัณหาทั้งสามได้แก่กามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะหรือกามคุณห้าภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นคนดังมีชื่อเสียงนี่เรียกว่าภาวะตัณหาและตัณหาข้อที่สามคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พลาดลาจากของและบุคคลที่รักอยากไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่คือต้นเหตุที่ทำให้ใจของสัตว์โลกทุกข์กันที่ทำให้ใจของสัตว์โลกต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่าจะทุกข์กับมันมากี่รหลายกี่หลายล้าน ครั้งก็ตามก็ไม่รู้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากของตนก็ยังไม่เคยหยุดความอยากกันมีแต่เสริมความอยากกันทำตามความอยากกันจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติจนเห็นความจริงแล้วว่าทุกข์คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นต้นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือสมุทัยคือตันหาทั้ง3กามตันหาภวตันหาและวิภวะตันหาและวิธีที่จะดับความทุกข์ ให้หมดไปจากใจท่านก็ได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาเรียกว่ามรคมรค ก, ก็คือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามรคที่มีองแปดถ้าผู้ใดมีมรคที่มีองแปดก็จะสามารถยุติหรือลดละ กำจัดตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีตัณหาอยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะความทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากความอยากนี้จะถูกทําลายด้วยมรรคก็คือมรรคที่มีองแปรเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาการดําเนิน แปดข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องข้อที่สองเรียกว่าสัมมาสังกประความดําริชอบหรือความคิดที่ถูกต้องข้อที่สามก็คือสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องข้อที่สี่ก็คือสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง ข้อที่หก็คือสัมมาอาชีว์โวอาชีพที่ถูกต้องข้อที่6คือสัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องข้อที่7คือสัมมาสติการนัลึกรู้ที่ถูกต้องและข้อที่แปด ส, มมสัมมาสิสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือการประพุทธปฏิบัติ 8. ลักษณะด้วยกันที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการละตันหาทั้งสามละกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาผู้ใดต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะต้องสร้างมรรคที่มีองค์แปดนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธไว้ต่อสู้ไว้ทำลายข้าศึกศัตรูของใจคือตันหาทั้งสามนี้สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องว่า ความทุก ข, um, ข์ของเราอยู not, ่ที่ใจเกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราอยากก็คืออยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงสิ่งที่เป็นสุขนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นให้เป็นสุขสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเราอย่างท้าวรพอเราเกิดความ คิดอย่างนี้ขึ้นมาความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราเป็นนานๆแต่พอเขาไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปนา น, านๆเราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจดังนั้นข้อที่หนึ่งเราต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกตั้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับไปในที่สุดถ้าอยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจก็ต้องยอมรับความจริงเพราะของเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นของเราเขาไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดเราก็ต้องเปลี่ยนความอยากของเราแทนที่จะอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเราก็ปล่อยวางความอยากนั้นปล่อยให้เขาอยู่ไปเท่าที่เขาจะอยู่ได้เขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไป เขาจะจากเราไปก็ปล่อยให้เขาจากเราไปถ้าเราปล่อยแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิพาเรามีสัมมาทิฏิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดของเราก็จะคิดไปในการปล่อยวางคิดไปในการละตัณหาทั้งสามจะไม่อยากให้ จะไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเท่ากับการได้ความทุกข์มาจะไม่อยากมีไม่อยากเป็นจะไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็นจะทำใจเป็นกลางเฉยๆรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่และที่จะต้องหมดไปในที่สุดเช่นร่างกายของพวกเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ก็รับรู้เฉยๆว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเขาจะทำอย่างไรเขาจะเราจะทำอย่างไรก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้การกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับตัวเราและผู้อื่นคือเราจะไม่พยายามกระทำ การกระทำอันใดเพื่อที่จะรักษาร่างกายรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราหรือหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเรามาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นคือเราจะไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะสิ่งที่เราได้มานี้มันเป็นของชั่วคราว มันไม่คุ้มกับโทษที่เกิดตามมาจากการที่เราไปกระทำบาปกันเราก็จะตั้งอยู่ในศีลธรรมคือมีสัมมาคมันโตมีการกระทำที่ถูกต้องคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีการพูดของเราก็จะเป็นการพูดที่ถูกต้องเราจะพูดแต่ความจริงเราจะไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวง เพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้เพราะเรารู้ว่าการมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราไม่ต้องโกหกหลอกลวงใครเราอยากได้อะไรที่จำเป็นก็หามาตามความสามารถของเราหาได้มากได้น้อยก็กินพอใจกับมันหาไม่ได้เมื่อถึงเวลาต้องเสียชีวิตก็ ยอมเสียชีวิตดีกว่ามาทําบาปเพราะชีวิตนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปอยู่ดีถ้าทําบาปแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะไม่ได้ดับความทุกข์เรามีสัมมากรรมโตมีสัมมาวาจาเพื่อไม่ให้ผลิตความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์เกิดจากการทําบาป เกิดจากการฆ่าเกิดจากการลักทรัพย์เกิดจากการประพฤติผิดปรเรณีเกิดจากการพูดปดโกหกหลอกลวงถ้าเราไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ผลิตความทุกข์ให้กับใจใชเช่นเดียวกับอาชีพสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวคืออาชีพที่ถูกต้องการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพของพวกเรา ก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมอาชีพที่สร้างเวรสร้างกรรมก็คืออาชีพที่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือส่งเสริมการเสพของบุญเมาต่างๆเช่นขายสุรายาเมาขายายาพิษขายสัตว์ราวุธต่างๆ เือขายสัตว์ฆ่าสัตว์ของเป็นที่จะเอาไปค่าเป็นอาหารอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ไม่สมควรต่อผู้ที่ต้องการที่จะดับตันหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆภายในใจเพราะทำไปแล้วจะทำให้เกิดความไม่สบายใจเวลาที่เราได้ ประโยชน์จากการเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วเราก็จะมีสัมมาวายาโมคือความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องของพวเราก็คือเพียรสร้างมรรคแปดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะไปเพียรสร้างลาบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างเท่าไหร่ก็จะต้องมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นมีลาบมากเท่าไหร่เวลาเสื่อมลาบไปก็จะทุกข์มากไปตามกับลาบที่มีอยู่มีมากก็ทุกข์มากเพราะต้องเสียมากมีน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความอยากที่จะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มีความทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะหามาได้หรือเวลาที่สูญเสียไปจะมาหาจะมาเพียรกับการหาสิ่งที่จะดับความทุกข์และสร้างความสุขให้แก่ใจก็คือมาเจริญมรรคนี่เองมาสร้างสมาทิฐิ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เมื่อรู้แล้วก็จะได้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความสุขทำไปในสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขพูดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจมีอาชีพที่จะทำให้มีความสุขใจ นี่เรียกว่าสัมมาวายามโมนอกจากมีอาชีพมีการพูดการกระทำแล้วก็ยังต้องมีการทำความสุขให้กับใจที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการทำใจให้สงบเพราะไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่จะเกิดจากความสงบได้ก็ต้องมีสัมมาสติการระลึกรู้ชอบการระลึกรู้ที่ถูกตั้งนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้อยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวอารมณ์เดียวเช่นให้รู้กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อที่ใจจะได้มีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้ลอยไปกับ กระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆที่จะมาคอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองอารมณ์ที่วุ่นวายเพราะเป็นความคิดที่เกิดจากความอยากเกิดจากความหลงความหลงก็คือไม่เห็น อนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่อยากได้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็อยากจะได้เพราะคิดว่าดีคิดว่าจะให้ความสุขเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรได้ยินอะไรก็จะบอกว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตา นี่คือเราต้องพยายามดึงใจอย่าให้ไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆด้วยการเจริญสัมมาสติให้เล็ลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวรู้อยู่กับสิ่งเดียวกันที่คล้ายคลึงกันก็ได้เช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วเราเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องมีสติรู้อยู่กับการสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่อยู่แต่พุทธโทเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดอันตรายขึ้นมาได้อย่างเวลาที่เราขับรถยนต์เราก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถยนต์ควบคู่ไปกับการบริกรรมพุทธโทแต่ต้องถือการขับรถยนต์นี้เป็นงานหลักส่วนการบริกรรมพุทธโทนี้เป็นงานงานรอง ถ้าเราไปมัวแต่พุดโทรโดยที่ไม่สนใจว่ารถลาวิ่งเร็ววิ่งช้ามีรถข้างหน้าข้างหลังหรือไม่โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ย่อมเป็นไปได้แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับการขับรถยนต์เป็นหลักขับด้วยความระมัดระวังรู้ว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรรู้ว่าข้างหลังเป็นอย่างไรรู้ว่าความเร็วที่ขับนี้สมควรหรือไม่อย่างไร ถ้าขับอย่างนี้ก็จะปลอดภัยแต่ถ้าขับแล้วใจยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธดึงกลับมาได้ดึงกลับมาจนกว่าใจจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่กับการขับรถยนต์เพียงอย่างเดียวจะหยุดการบริกรรมพุทโธไปก็ได้ให้มีสติอยู่กับการขับรถยนต์แทน หรือเวลาเราทำภารกิจการงานต่างๆก็เช่นเดียวกันใจของเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำเป็นหลักแต่ถ้าทำแล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะใช้พุโทโธดึงใจกับให้กลับเข้ามาหางานที่เรากาลังทาอยู่ก็ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะลอยไปลอยมานี่คือเรื่องของสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้อง ถ้าเราสามารถเจริญสัมมาสติได้อย่างต่อเนื่องจนใจนี้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบศักแต่ว่ารู้เป็นเอกคัตตารณ์เป็นอุเบกขาและเป็นสุขอย่างยิ่ง อย่างนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่สงบนิ่งสุขสบายเยน็นเป็นอุเบกขาอันนี้เป็นสัมมาสมาธิถ้าเป็นมิจฉาสมาธิก็จะเป็นสมาธิที่ไม่สงบรวมเป็นหนึน่งสงบพอที่จะไปรับรู้เรื่องต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจรับรู้ ที่เรียกว่านิมิตต่างๆแล้วถ้าไปสนใจติดตามเรื่องนิมิตก็จะเสียเวลาแล้วก็จะไม่ได้พลังจะไม่ได้ความสุขที่จะได้จากสัมมาสมาธิออกจากสมาธิมาออกจากมิจฉาสมาธิมาสมาธิที่เห็นนูน่นเห็นนี่ใจจะไม่มีอุบเบกขาไม่มีความเย็นสบายไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหา จะเจริญปัญญาก็จะไม่สามารถฆ่ากิเลสตัณหาได้เพราะว่าไม่มีกำลังแต่ถ้าออกจากสับออกจากสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิใจจะมีความเย็นมีความอิ่มมีความสุขมีอุเบกขามีกำลังที่จะใช้สัมมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป้คือปัญญานี้มาทำลายมาลตันหาความอยากได้ถ้าปัญญาชี้บอกว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราอย่างถาวรพอเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากดูไม่อยากฟัง เพราะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เพราะเวลามันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของมรรคที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการมาทำลายความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามเพราะถ้ามีมรรคแล้วใจจะไม่ผลิตความทุกข์การกระทำทางกายทางวาจาทางใจ จะทไปในทางที่ละตันหาความอยากทั้งสามไม่ได้เป็นการกระทําไปเพื่อสร้างตันหาตันหาทั้งสามนี้ขึ้นมาเมื่อตันหาได้ถูกทาลายไปความทุกข์ที่เกิดจากตันหาก็จะหมดไปใจก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปตามลําดับของการกําจัดตันหาที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระโสดาบัน ระดับของพระสกิดาคามีระดับของพระอนาคามีและระดับของพระอระหันต์เมื่อถึงระดับของพระอระหันต์ความอยากต่างๆก็หมดไปอันหาต่างๆหรือกิเลสต่างๆก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่านิพพานคว า, ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี่แหละคือนิพพาน นิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่นิพพานเป็นความสงัดเป็นความบริสุทธิ์ของใจที่เกิดจากการเจริญมรรคเกิดจากการสร้างมรรคแปดขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไปทําลายตัณหาทั้งสามหรือกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหา ไม่มีการมัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วใจก็นิ่งใจก็จะสงบไปตลอดใจก็จะไม่ต้องไปเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไป <c oughs> การไปเกิดก็เพราะยังมีตัณหาความอยากตัณหานี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำมันที่ขับเคลื่อนรถยนต์ให้วิ่งไปนั่นเองถ้ารถยนต์ยังมีน้ำมันอยู่มันก็ยังสามารถวิ่งไปได้อยู่แต่ถ้าเราไม่เติมน้ำมัน ปล่อยให้น้ำมันที่มีอยู่นั้นหมดไปพอหมดไปแล้วรถยนต์ก็ต้องจอดไปไหนมาไหนไม่ได้ใจที่ไม่มีน้ำมันคือไม่มีตันหาความอยากก็จะไม่ไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมถึงแม้ว่าจะเคยทำบาป ท, ทำกรรมมาอย่างโชคโชนอย่าง อ, าองคุลิมาน องคุรีมานี้ได้ทำยะได้ทำบาปมามากฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันแต่พอมาได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ได้สรงสอนให้องคุลีมานตัดความอยากตัดความโลภความโกรธความหนงพอองคุลีมานปฏิบัติตามได้ใจขององคุรีมานก็เป็นพระนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมา ใช้เวรใช้กรรมกับผู้ที่ตนเองได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมนี่แหละคือธรรมะที่สิ่งที่พวกเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วถ้าเราฟังบ่อยๆเข้าความรู้เหล่านี้จะซึมซาบเข้าไปจะกว้างขึ้นจะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นเพราะการฟังครั้ง แต่ละครั้งนี้เราจะสามารถดูดซึมเข้าไปในใจได้ไม่หมดเราจรึงต้องฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆดังที่ในมงคลสูตรที่ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะ ส, สวรังการฟังรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระ วันพระนี้ก็จะมีอาทิตย์ละครั้งเป็นวันที่พุทธบอยศัจจาหยุดภารกิจการทํางานต่างๆเพื่อไปวัดเพื่อไปฟังเทศสั่งธรรมและไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาในสมัยก่อนนี้การฟังเทศสั่งธรรมนี้เป็นโอกาสที่ยากเพราะต้องฟังจากบุคคลฟังจากพระ ฟังจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ต้องแสดงสดคือไม่มีการจาวหรือเป็นตัวอักษรหรือเป็นเสียงเหมือนสมัยนี้จึงต้องไปที่วัดกันก็จะไปได้ก็ต้องไปวันที่หยุดการทํางานทําการแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่วิเศษที่เราสามารถฟังทําได้ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ ถือว่าเราโชคดีที่เราจะสามารถฟังธรรมได้มากขึ้นยิ่งฟังได้มากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นไปเร็วขึ้นไปแล้วก็จะช่วยทําให้เรากําจัดความสงสัยให้หมดไปทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็จะทำให้เรานิรตัณฑหาความอยากต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดับความทุกข์ได้และบรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดายนี่คือความแตกต่างระหว่างของพวกเรากับสมัยคนโบราณที่ไม่มีสื่ออย่างที่พวกเรามีกันอยู่ขอให้พวกเราใช้สื่อให้มันเกิดคนเกิดประโยชน์เ หมั่นฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพระอาหารหันต์คือจิตร่างกายของท่านพระ อ, อัฐิของท่านนั้นได้กลายเป็นพระาธาตุไปแล้วเนี่ยพระาธาตุของท่านมีไว้เพียงเท่านี้มีไว้เป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่ให้มีว่าเรา มีไว้เอาเอาไว้ครอบครองเป็นสมบัติแล้วก็หวังว่าพระธาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราพระธาก็เป็นธาตุดีๆนี้เองนะไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรเลยไม่สามารถที่จะทําให้เรารวยขึ้นใหญ่ขึ้นอายุยืนยาวนานขึ้นแต่อย่างใดแต่เป็นการเป็นสิ่งที่จะเตือนใจเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ธรรมของท่านนี้เป็นธรรมแท้ควรพยายามฟังกันบ่อยๆฟังกันให้มากๆแล้วจะได้รับอนิสงส์ทั้งห้าประการที่จะทำให้จิตใจนั้นได้หลุดพ้นจากจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบีเท่านี้พระธาตมีไว้เพื่อที่จะให้เรามีความแน่วแน่มั่นใจต่อคาสอนของท่านอย่างเรา เห็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็จะเชื่อว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าเองจริงเป็นคำสอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าผู้ใดฟังแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิสามารถนําเอาไปปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของตนได้ดังนั้นเวลาเราเห็นพระธาตุหรือได้พระธาตุมา โรย อ, อยากได้พระธาตุนี้อย่าให้มันเป็นปัญหากิเละเพราะมันขัดกับความความจริงของพระธาตุพระธาตุมีไว้เพื่อให้เราตัดตัญหาความอยากไม่ใช่ทำให้เราเกิดมีตัญหาความอยากอย่างมีญาติโยมที่ได้รับเกษาของครูบาอาจารย์มาแล้วก็นั่งเฝ้าดูให้กายเป็นพระธาตุ ได้ยินได้ฟังว่าของคนนั้นคนนี้ได้กลายเป็นพระธาตุแต่ของตนไม่ได้เป็นพระธาตุก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องผิดแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิให้เรารู้ว่านี่เป็นเกษาของพระอาหารหันต์คำสอนของท่านนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ สามารถน้อมนําเอามาปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นี่คือเรื่องของพระธาตุเรื่องของการยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระอาหารหันตาสาวกมีจริงคําสอนของท่านเป็นคําสอนที่สามารถนําพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างจริงจริง จริงแท้อย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อแล้วขอให้เรานําเอาไปปฏิบัติเท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราก็จะต้องหมดไปได้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วภายในชาตินี้ได้แน่นอนถ้ามีการปฏิบัติมีการเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ทําภารกิจอย่างอื่นทําแต่การเจริญมรรคนี้เท่านั้น รับรองได้ว่าจะต้องได้เห็นผลในชาตินี้อย่างที่กุบาจารย์พระสุปฏิปันโนปฏิบัติชอบป ฏ, ปฏิบัติปดีปฏิบัติชอบที่เรากล่าวไหว้บูชาได้บรรลุกันท่านก็เป็นเหมือนเราก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกเราที่เป็นมีกันอยู่ในตอนนี้แต่ท่านมีศรัทธาที่แน่วแน่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียร มีขันติความอดทนที่จะปฏิบัติที่จะสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจจนหมดจิ้นไปพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะไม่ต่างกันต่างกันแค้ตรงนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติกันเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเหมือนกันอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการเสริมเิริมมงคลให้แก่ชีวิตในวาระดิ่ถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและเพื่อความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราภิปุเรนติสัการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปะติตังสุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติอะระโสยทาสพิติโยวิวาจันโตสภโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโน <Hello. S 1> ตาารวทตอยล่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามและคำตอบด้วย ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามผ่านทางคำถามที่ฝากมาทางอินเทอร์เน็ตท่านอยู่บ้านถ้าอยากจะฟังอยากจะถามปัญหาก็เข้าไปในเฟ e บุ o k ได้เราเขียนเขียนคำถามในวันที่เขาจะตั้งข้อข้อให้ให้ให้ถามแล้วเขาก็จะเอาคำถามของท่านมาถามที่นี่เราก็จะอัดเสียงใส่ไว้ในยูทูบ ที่เทศวันนี้ประมาณสักสามสี่ทุ่มก็จะขึ้นไปรอวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่รีบร้อน้าไป้าไปฟังได้คำถามก็จะอยู่ตอนท้ายของการเทศนาเทศนาประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีพอถึงหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาถ้าท่านมีปัญหาถามก็คอยฟังไว้ ถ้ายัางไม่ชัดยังต้องการถามเพิ่มก็รออาทิตย์หน้าถามใหม่ต่ อ, อเชิญขึ้นมานะาถ้าอยากจะถามปัญหาครับมาส่งอารมณ์ต่อนะคะก็คือว่าที่พระอาจารย์ให้ไปนั่งนั่งสมาธินะคะก็นั่งก็ก็ดูจิตนะะดูก็เกิดเหมือนกับว่าเงียบสงบนะแล้วก็ สักพักเนี่ยจิตเนี่ยพูดขึ้นมาพอพูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเออจิตมันพูดคําว่าอันนี้จังพออันนี้จังเสร็จปุ๊บเนี่ยคือที่มันกําลังจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ปุ๊บหายลงไปเลยอย่าเงี้ยแล้วก็พิจารณาเนี่ยจิตก็คือเข้าสมาธิได้ง่ายนะคะแล้วก็เอ่อในระหว่างที่ดูในความว่างอยู่เนี่ยคือมันจะมีความคิดเนี่ยพูดขึ้นมา แล้วก็จะพิจรารณาไตราักนะว่ามันเป็นอนิจจังพอพิจรารณาไตราักปุ๊บเนี่ยความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะดับวูบลงไปเลยแล้วก็เข้าไปในสมาธิอีกครั้งหนึ่งค่ะคือสิ่งที่ปรากฏในสมาธินี้ยังไม่ได้เป็นความจริงที่เราต้องการที่จะเห็นความจริงที่เราต้องการจะเห็นก็คือสิ่งที่เราไปยึดไปติดอยู่ เช่นร่างกายของเราร่างกายของสามีภรรยาของลูกของญาติพี่น้องของคนที่เรารักเราชอบเราต้องเห็นอนิจจังในร่างกายของบุคคลเหล่านั้นเห็นอนัตตาในร่างกายเหล่านั้นว่าไม่มีตัวตนร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจของแต่ละดวงที่ใช้มาเป็นเครื่องมือ ตอบส น, นองตันหาความอยากต่างๆเท่านั้นเองเอ <S 2> <S 2> ต้องเห็นว่าร่างกายเหล่านั้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรียกว่าอ น, นิจจังถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยให้เขาแก่ให้เขาเจ็บให้เขาตายไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นไปไม่ได้ อ, <S 2> <S 2> อันนี้เป็น อนิจังที่เราต้องการจะเห็นนอกนอกสมาธิเวลาในสมาธินี้ความจริงเราไม่ต้องการจะเห็นอะไรเลยต้องการให้จิตว่างสงบไม่ควรที่จะไปดูจิตควรจะดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเหลือแต่ความว่าง ให้อยู่กับความว่างนั้นไปให้นานที่สุดเพราะความว่างนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นอุเบกขาและจะเป็นพลังของจิตไว้ในการต่อสู้กับความอยากเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไปนั่งแล้วไปดูไปพิจารณาจิตจะไม่มีความว่างจะไม่มีสมาจะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีกำลังเวลาออกมาเห็นอะไรก็จะตัดไม่ได้ เห็นแล้วก็ยังรักยังหวงอยู่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าจะต้องจากกันแต่ก็ยังเสียดายไม่อยากให้จากพอจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราเห็นตรงนี้ให้รู้ว่าวิธีการเข้าสมาธิเข้าเพื่อให้ได้อุเบกขาได้ความอิ่มใจพอใจได้พลังที่จะมีกําลังต่อสู้กับตันหาความอยากเวลาที่ไปอยากในสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้เพืจะได้หยุดความอยากแล้วปล่อยให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปล่อยให้ก็เป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วใจจะได้ไม่มีความทุกข์พอจะเข้าใจนะเข้าใจแล้วคะ่ะมีอะไรไหมทีทนี้เวลาเข้าสมาธินี่ยคือมันเข้าง่ายนะฮะพระอาจารย์แต่ว่าพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันก็นิ่งว่างของมันอยู่อ่ะฮะแต่ทีนี้มันอาจจะแบบ ก็จะให้ทำอะไรสมาธิก็คือนิ่งว่างนั่งก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันว่างเ uh huh. พื่อจะได้มีกำลัง uh huh. เหมือนเวลาหลับนอนคุณได้อะไรคุณไม่ได้อะไร uh huh. แต่คุณก็ต้องหลับนอนเพื่อจะได้มีกำลัง ว, งวังเชราพอตื่นเช้าแล้วออกไปทำงานนี้ต้องการเงินสักกี่ล้านก็หามาได้ uh huh. แต่ตอนหลับนอนคุณไม่ได้เงินล้าน uh huh. แต่คุณต้องการกำลังต้องการพักผ่อน เพื่อที่จะได้มีกำลังออกไปหาเงินล้านต่อไปฉันใดการอยู่ในสมาธิก็ไม่ได้อะไรนอกจากความนิ่งความว่างความสุขใจความสบายใจที่จะเป็นฐานเป็นกำลังของใจไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะมาหลอกมาล่อให้ไปหลงไปรักไปชอบไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะดับมันได้ถ้ามีถ้ามีสมาธิ แล้วก็มีปัญญาที่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างท้าว อ, อต้องเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไระไม่อยากได้สามีไม่อยากได้ภรรยาไม่อยากได้ลูกมีก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปเขาจะไปก็ไม่เสียใจเขาจะอยู่ก็อยู่ไปไม่วุ่นวายใจไปกับเขาเข้าใจแล้วค่ะ กลับนมัสการพระจานร์นะครับคือเวลาผมนั่งสมาธินะครับแล้วความรู้สึกก็คือมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันกระโดดลงไปที่แถวแถวบริเวณตรงแถวแถวสะดือครับแล้วมันก็ว่างๆโล่งๆอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลับหรือเปล่าก็ลองลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นว่าเราไม่ได้หลับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผมควรจะ ปฏิบัติต่อไปอยังไงครับถ้ามันโล่งว่างๆก็ปล่อยให้มันโล่งว่างๆไปให้นานที่สุดไม่ต้องทําอะไรจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งถ้ามันเริ่มคิดปรุงแต่งก็เดินความคิดปรุงแต่งนี้มาทางการพิจารณาปัญญาให้พิจารณาร่างกายก็ได้เออพิจารณาสิ่งที่เรารักเราห่วงก็ได้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันมื้อใช่ของเรา เพื่อที่เราจะได้คลายความรักคลายความห่วงเวลาที่เขาพัดพาคจากเราไปเราจะได้ไม่วุ่นวายใจครับแล้วถ้ามันเข้าไปสักไม่นานนะครับประมาณนาทีเดียวมันก็ออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมครับก็ทำอย่างที่เวลามันเข้าไปข้างแรกนะคุณทำอย่างไรข้างแรกก็ทำอย่างนั้นต่อไปเช่นคุณกาหนดดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไป บริการพุโทโธก็บริการพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมในเบื้องต้นอาจจะต้องให้กลับให้มันกลับเข้าไปบ่อยๆนานๆเพื่อจะได้มีพลังมากๆก่อนที่จะออกไปทางปัญญาครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับมีใครอีกไมไม่มีเดี๋ยวจะได้ให้ทางบ้านทางอินเทอร์เน็ตเขาถามอ่ะว่าไปคำถามแรกค่ะ จากคุณด้วยกล้าวกราบนัมัธการเรียนถามพระอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจบริกรรมพุทโธตามลมหายใจจะต้องไปถึงจุดตรงท้องหรือไม่เจ้าคะหรือแค่ให้รู้สึกที่ปลายจมูกก็ได้เจ้าคะคือให้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าจะดูลมดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้ คือให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกเช่นถ้าดูที่หน้าท้องก็ยุบหนอพองหนอลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาลมออกท้องก็ยุบลงไปให้รู้แค่นี้ถ้าอยู่ไปถ้าดูลมที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่าลมเข้าไปลมออกไปมีความสัมผัสรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกให้รู้อย่างนั้นไปไม่ต้องมีการคิดปรุงแต่งแล้วความคิดปรุงแต่งจะเบาบางลงไป ใจจะว่างขึ้นแล้วในที่สุดก็จะว่างอย่างเต็มที่ใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขเรียกว่าทำงานสมาธิได้สำเร็จคำถามต่อไปจากคุณการสั จ, จธรรมค่ะขอโอกาสกราบเรียดถามอย่างไรเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคะ เวลาทำสมาธิเช่นดูลมหายใจหรือบริกรรมพุโทโธแล้วใจไม่ยอมอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เพราะมีเรื่องราวข้างค้างอยู่ภายในหัวใจเช่นเพิ่งไปทะเลาะกับแฟนมานั่งยังไงมันก็ไม่ยอมสงบเพราะกังวลว่าแฟนจะโกรธแฟนจะเบื่อแฟนจะเลิกก็ให้ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาว่าแฟนเป็นอะไรแฟนเป็นอนิจจังหรืเป็นนิจจัง เราไปกำหนดบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือไม่เป็นอัตเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นว่าแฟนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ตัดหางปล่อยวัดได้ปล่อยเขาไปเขาอยากจะโกรธเราก็ปล่อยเขาโกรธไปเขาอยากจะทิ้งเราก็ปล่อยเขาทิ้งไปเราไปห้ามเขาไม่ได้พอเห็นเป็นตายรักแล้วเราก็จะ หยุดกังวลหันกลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคา ถ, ถามต่อไปค่ะฝากถามมาว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมค่ะก็ทำว่าทําสอนให้ทําอย่างไรก็ทําตามท่านท่านสอนให้ทําทานเราก็ทําทานเราอยาตันเอง กานที่เอาเงินมาทำทานเราเอาเงินไปซื้อขนมกินอย่างนี้เรียกว่าไม่สมแก่ทมสมแก่ขนมถ้าสมแก่ทมก็ยอมเสียสละขนมแล้วว่าเอาเงินนี่มาทำทานหรือซื้อขนมมาแล้วก็ไปแจกเด็กยากจนอย่างนี้ก็เรียกว่าสมควรแก่ทำอีกคำถามค่ะถ้าเวลาที่มีอารมณ์กโกรธห ง, งุดหงิด ติดใจกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นเวลานั้นคือการขาดสติใช่หรือไม่คะขาดสติขาดปัญญาขาดความเมตตาถ้าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะพอสามารถดับมันได้ถ้ามีสติเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธพอเราอยู่กับพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งความโกรธก็จะหายไป ถ้าเรามีความเมตตาเราก็ให้อภัยอย่าไม่ถือโทษเกิดเคืองอย่างลูกเราบางทีก็ทําอะไรไม่ถูกใจเราแต่เนื่องจากเรามีความเมตตารักเขามากเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือสานี่คือความเมตตาให้อภัยไม่เอาเรื่องเอาเราวทาไปแล้วก็แล้วกันไปถ้าเรามีปัญญาเราก็พิจารณาว่าเขาเป็นตายรักไป พิจนาว่าเขาจะทำอะไรเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ปล่อยวางได้ใจเราก็จะหายโกรธคำถามต่อมาค่ะมีพระท่านบวชแล้วท่านห้ามโยมแม่มาพบมาเจอมาหาและติดต่อใดๆอย่างนี้ถือว่าพระท่านใจร้ายเกินไปหรือไม่แม้ท่านจะตั้งใจปฏิบัติก็ตามคือ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่บวชใหม่นี่เป็นผู้ที่ต้องการที่จะไปปริกวิเวกไปอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะคนบุคคลที่ใกล้ชิดเพราะเวลาเห็นคนที่ใกล้ชิดแล้วมันทําให้มีความผูกพันมีความเป็นห่วงกันจะทําให้ไม่สามารถจะรินสติทําใจให้สงบได้ฉนั้นจึงบุคคลที่ต้องการที่จะ ได้ผลจากการบวชมักจะต้องไปบวชอยู่ที่ไกลๆบ้านที่ยากต่อที่ผู้คนทางบ้านจะไปเยี่ยมได้การกระทำอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการกระทำบาปหรือใจร้ายอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเยี่ยมเราตลอด24ชั่วโมงเราต้องการรักษาตัวต้องการพักผ่อน เมื่อที่เราจะได้หายจากโลกภคภัยไข้เจ็บถ้าหายแล้วจะมาเยี่ยมกันเวลาไหนก็มาได้แต่เวลาที่ไปรักษาตัวนี่ขอความกรุณาอย่าไปเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าหกปีก็ไม่ไม่ให้ใครไปหาคนในวังไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านไม่ไม่ไม่ติดต่อกับคนในวังเลยแต่หลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วคนในฟนคนในวงันนวงได้ยินข่าวก็ส่ง คนมานิมนต์ให้ท่านกลับไปและเยี่ยมท่านก็กลับไปเพราะตอนนั้นใจท่านพร้อมที่จะกลับไปแล้วใจของท่านไม่มีอารมณ์กับบุคคลต่างๆแล้วไปแล้วจะไม่มีความทุกข์ความวิตกกังวลด้วยความว่าเหวเวลาที่จะเขามาถ้ายังมีกิเลสอยู่นี้เวลาคนนักมาหานี่จะดีใจแต่พอเขากลับไปแล้วจะเศร้าใจ จะทำไม่มีทำให้ไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะเจริญสติใจจะคิดถึงเขา ท, ที่คิดถึงคนที่มาเยี่ยมแล้วก็อยากจะกลับไปอยู่ใกล้เขาถ้ามาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวก็ลาสิกขาไปนี่คือสาเหตุที่เวลาภาพบทใหม่นี่ไม่อยากจะติดต่อกับใครทางบ้านเพื่อที่จะได้ตัดอารมณ์ความผูกพัน เพื่อที่จะได้บาเพ็ญสมณธรรมได้อย่างได้เหตุได้ผลพอได้ผลแล้วจิตใจมีพลังแล้วก็สามารถที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านได้ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามต่อมาค่ะกรณีผู้ป่วยอาการหนกักไม่ควรจะให้ยามอฟินกับผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยจะไม่ได้สติ จะไปแบบไม่รู้ตัวจะไม่ถึงนิพพานถูกต้องไหมเจ้าคะไม่ถูกหรอกมอฟฟินไม่มอฟฟินถ้ามันไม่มีธรรมมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันอยู่ที่มีธรรมแล้วไม่มีธรรมโอเคมีใครอยากจะถามไหมบนนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา